การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่สวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะเนื่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่สวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนื่งเนือง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 มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจจตุถฌานอยู่หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสีประการนี้แหล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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรเนาะทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้น เมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเหตุในข้อนั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประธานวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจากทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุททั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว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 ไม่รู้จักธรรมที่ควรเสภไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสภไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสภไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็เสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบ เมื่อเสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรครบไม่คบธรรมที่ควรครบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องพิสุทั้งหลาย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 ทมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ここจเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกรู้ถูกต้องการสมาทานธรสี่ประการภิกษุทั้งหลาย การสมาทานธรรม4ประการนี <unlucky. S 2> at, ้การสมาทานธรรม4ี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกขในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสม า, ามทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต เมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 2. บุคคลผู้ไม่รู้จากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จากการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง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 บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้น เมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นและเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นั้นรู้ไม่ถูกต้อง4บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชา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 ทมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทมที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษ mm hmm. ุทั้งหลาย หนึ่งบรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้น ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นั้นรู้ถูกต้อง 2. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต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 ทมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 3. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต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 สีบุคคลผู้รู้จากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว <ing> ่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จากการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้น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 สมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัตบ้า ง, างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมานัสมีทุกข์บ้างมีโทมานัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์ และเพราะการลักทรัพย <và, S 1> <Mozart. S 2> ์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัทมีทุกบ้างมีโรมนัทบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัทมีทุกบ้างมีโทมนัทบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัทมีทุกบ้างมีโธมนัทบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียด และเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโธมนัดมีทุกบ้างมีโทมนัตบ้างจึงเป็นคนพูดคำหยาบและเพราะการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโธมนัตมีทุกบ้างมีโทมนัดบ้างจึงเป็นคนพูดเพ้อเจ้อและเพราะการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโธมนัมีทุกบ้างมีโธมนัตบ้าง จึงเป็นคนเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมันตสมีทุกบ้างมีโธมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัย เขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากในอนาคต สมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์ และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียด และเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุข yeah. บ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดคำหยาบและเพราะการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเพ้อเจ้อและเพราะการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัส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 และเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัตบ้างจึงเป็นคนเว้นขาจากการฆ่าสัตว์และเพราะการเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทโมนัตมีทุกข์บ้างมีโทมนัตบ้างจึงเป็นคนเว้นขาจากการลักทรัพย์ และเพราะการเว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นป well ัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัตมีทุกบ้างมีโรมนัตบ้างจึงเป็นคนเว้นขาจากการประพฤติผิดในกามและเพราะการเว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัตมีทุกบ้างมีโทมนัตบ้างจึงเป็นคนเว้นขาจากการพูดเท็จและเพราะการเว้นขาจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัต มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและเพราะการเว้นขาดจากการพูดส no. ่อเสียเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพอเจ้อ และเพราะการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและเพราะการไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัย เขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นชอบและเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และเพราะการเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นข่าจากการลักทรัพย์ และเพราะการเว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกางและเพราะการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกางเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัส มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นข่าจากวาจาส่อเสียดและเพราะการเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นข่าจากการพูดคําหยาบและเพราะการเว้นข่าจากการพูดคาหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพอเจอ และเพราะการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเว้นขาดจากการไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัดมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่น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 ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรม4ประการนี้แหลอุปมาของการสมาทานธรรม4ประการภิกษุทั้งหลาย 1. เปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษ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 บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นเดิมมิได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้เดิมพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นเดิมแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายสอง เปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกชาวบ้านก็บอกเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิด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 พิษุทั้งหลายสเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทาให้ท่านผู้ดืมพอใจทั้งสีกลิ่นและรส ครั้นท่านเดิ่มเข้าไปแล้วจกมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้เดิมพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ชันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาชันนั้นพิสุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในศาสตรการซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโรปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ข้อฉันนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่น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 มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิตนั้นให้แจมแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการตรวจสอบธรรมของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่น พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมสองประการคือหนึ่งธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตา 2. องธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคต น, นั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามอง เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมี่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่า ตถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันพองแผ่หรือไม่ เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีคุศสธรรมนี้สิ้นการช้านาน หรือมีชั่วการนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีคุสลมธรรมนี้สิ้นการช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีคุณสมธรรมนี้สิ้นการช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่า ท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมียศ ท, ท, ท่านมีโทษบางอย่างในโลกนี้บ้างหรือไม่เพราะพิกษุยังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ช่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มียศแต่เ <lord. S 1> มื HO, <ล><ๆ>่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้ เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพการเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคต น, นั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ไม่มีไัยมิใช่ผู้มีไัยไม่เสกกรมเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะหากชนเหล่า อ, อื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ไม่มีไัยมิใช่ผู้มีไัยไม่เสกกรมเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่า จริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมินหมู่ชนในที่นั้นผู้ดำเนินไปดีดำเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้และบางพวกไม่ติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้เราได้จะดับรับความข้อนี้มาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยไมิใช่เป็นผู้มีภัย เพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสพการเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้นพิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้น พิสูผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตาหาคตต่อไปว่าตาาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทา ง, ทางตาและทางหูอันเศร้ามองหรือไม่ตาาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตาาคตไม่ได้มีธรรม ท, ที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตาาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่ ตาถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตาถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตาถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันพองแผวหรือไม่ตาถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตาถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันพองแผว เราเป็นผู้มีธรรมที่ผ่องแผ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โคจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตันหาสาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณียิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่สาวกนั้นศาสดาก็แสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณียิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งทมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว หากชนเหล่าอื่นพึงสอบถามภิกษุนั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประนียิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประนียิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราโดยประการใดเราก็รู้ยิ่งซึ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้น ถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุทั้งหลายศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งมั่นแล้วในตถาคตมีมูลมีที่อาศัยด้วยอาการเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ สัทธานี้เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงซึ่งสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงให้หวันไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยธรรมอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรพัพยสิทธินี้แล